คาถาเสริมดวงชะตาณโมเมสัพเทวานังสัพพะราหะจะเทวานังสุริยันจปะปมุญจะถะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิสติชีโวสุกะโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพทุกขังวินาศสันติ สัพพะโรคังวินาศสันติลักคณาอะหังวันทามิสัพพทาสัเพเทวามังปาละยันตุสัพพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเม